ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังเอ็สแผ่นที่แปดสิบสองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีคติธรรมแผ่นที่แ2ดสิบสองวินัยยังโศชานาติ แปลว่าคนผ่านไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินยัยคาว่าภาลชนคนผ่านครับนี้ไม่ยอมรับรู้เรื่องกดระเบียบวินยัยดันผู้หลักดูกับคนผู้ใดอยู่ในชุมชนกลุ่มใดถ้ามีภารชนอยู่ในชุมชนกลุ่มนั้นมีแต่จะเอา เรื่องของตัวไปขงขี่หรือว่าเอารับเอาเปรียบผู้อื่นครับไม่นอนอยู่ในกฎและบิดถ้าอยู่ในชุมชนเขาเป็นผู้มีศินตัวเองก็เป็นผู้ทุกสินมีที่รักมีที่แยกกันแกล้งคนทั้งหลายทั้งปวงเพราะเขาเป็นภาลชนคิดไม่ดีทําไม่ดีพูดไปดีนั่นคือภาลชนเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านให้ตรวจตราดู ตัวของเราทุกๆคนด้วยว่าใจของเราเนี่ยเป็นเป็นภารชนหรือเป็นบัณฑิตนักลา่ารถ้าเป็นบัณฑิตนักบัตรมีทัศน์ตีทําตีพูดตีส่งเสริมให้คนทำความงามความดีถ้าเรามองดูตัวเองอย่างนี้แล้วนั่นแหละหความสุขความเจริญก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราทั้งทั้งหลายด้วยอาาะะาายาํานาจคุณขระศีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสูฆ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้มาคุคม้มครองพวกเราด้วยอำนาจบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปูง่หลวงตาขอให้มาคุคม้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญข้างคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใดอยู่ยในกรอบของศีลธรรมขอให้สงสามดังปราถนาทุกท่านด้วยท